เอาน่ายอย่าซีเรียสเรื่องการกราบพระหลวงพ่อไปเทศที่อายุทยาคนแก่สองคน เถียงกันเรื่องการกราบพระคนหนึ่งบอกว่าการกราบพระที่ถูกวิธีต้องเอามือซ้ายลงก่อนอีกคนบอกว่าไม่ใช่ต้องเอามือขวาลงก่อนเถียงกันหน้าดำหน้าแดงผลที่สุดมาขอให้หลวงพ่อเป็นกรรมการตัดสินชี้ขาดให้คนแรกบอกว่าจำมาจากหลวงตาเวลากราบพระ หลวงตาเอามือขวาลงก่อนอีกคนบอกว่าเห็นมากับตาเลยหลวงปู่ร อ, องเจ้าอาวาสเวลากราบพระท่านเอามือซ้ายลงก่อนตกลงไม่รู้ว่าคนไหนผิดคนไหนถูกหลวงพ่อเลยบอกว่าพระที่มีอายุมากเนี่ยกาลังวังชาไม่ค่อยมีเวลากรมลงกราบ ทรงตัวไม่อยู่มันจะลม้มเซไปข้างไหนก็เอามือข้างนั้นค้ำพื้นไว้กันลม้มหลวงตาเซทางขวาก็เอามือขวาค้ำพื้นไว้หลวงปู่เซทางซ้ายก็เอามือซ้ายค้ำพื้นไว้เราทั้งู่ไม่รู้เลยจะมาปฏิบัต และบอกต่อๆกันมาจากความเข้าใจผิดคนหลายคนทำตามทั้งที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเห็นเขาทำก็ทำตามไม่รู้อันไหนถูกอันไหนผิดการกราบที่ถูกต้องคือเอาสองมือแตะพื้นพร้อมกัน